アムティティーン。 ラミクユニン、ネガンバテナ、デナーヤングアチーブ、スカペンマハウィケイヤーライヘンダウタカム、RMUT moving towards อินโนเวทีฟยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดุดยอดทิพย์ชะโงมใจไทยทั้งชาติพระบรมราชินีนาฏผุดผาดยิ่งคือร่มโพร่มใสให้พักพิงพระเป็นมิ่งมาตาประชาไทยขออายุวันนะสุขล้น พละพาเจริญพระชนเนิยรัติสายพระเกียรติกล้องโอลานตราการไกลทรงสถิตรเหนื้อดวงใจไทยเนิยรันดุด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบอรีขอเชิญเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกณิศถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศ พ, พระรัศราชสุดาสยามบรรมราชกุมมารีในพิธีพระราชธานปริญาบัติ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2561ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทางถนนรังสิตนครนายกช่วงกิโลเมตรที่13คลอง6จังหวัดปฐุมธานีโประโดตรวจสอบการจราจรและวางแผนการเดินทางในระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคม2562สอบถามสภาพการจราจรได้ที่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 สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตรักุลเก็กพร้อมด้วยคุณปิยวงเคนทวายค่ะครับผมตัดเร็วไปนิดนึงนะคือมาบอกว่าตัดเร็วจังเลยนะฮะก็เลยอ่ะสะดุ้งสองสองวีดีก็ไม่ได้ฟังเสียงจังหวะเพลงเพิงเลยเนี่ยสองวีนิดหนึ่งนะฮะกลับมาพบกันนะคะช่วงนี้มาเลยอะไรอย่างนี้อ้าวเจอกันในช่วงเวลานี้นะฮะก็เป็นช่วงของความเฮฮานะฮะก็เป็นมาผ่อนคลายสนิทหนึ่งในช่วงของ My Computer นะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆก็อัปเดต เต้นเช่นเคยคอยเข้ารายการแล้วก็เม้ากันอยู่ว่าโอ้โหทำไมโทราศัพท์มือถือนี้มันแพงแพงจังเลยนะฮะใช่คือราคาแบบเกินเขาเรียกนะครึ่งแสนใช่ไหมก็บอกว่าไม่เป็นไรแพงไปเหอะแต่ว่าเขาจะรอจัดโปรโมชั่นไงคุณใช่คือแพงขนาดไหนคุณต้องซื้อซิมใหม่พร้อมกับโปร <S <S> ซื้อโปรค่ะติดโปรเนี่ยนึงต้องติดโปรคือ ต้องอยู่กับถ้าอยากถ้าอยากได้คุณก็ต้องซื้อกับเราค่ะคือถ้าคุณอยากได้เครื่องใหม่เครื่องเปล่าคุณต้องซื้อราคาเต็มใช่ค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยใช่ไม่อยากจ่ายเครื่องเต็มคุณก็ติดโปรติดโปรไปซะโปรนี่ก็ปีหนึ่งรายตังเลยนะเขาก็จะมีให้เลือกไงสักสองพันกว่าจริงๆเขามีตารางให้เลือกเลยนะคือมันก็จะมันก็จะเหมือนต้องดาวเครื่องถูกไหมดาวเครื่องจ่ายโปรค่ะ แต่ก็ก็จ่ายแล้วก็จ่ายอีกอย่างหนึ่งจ่ายอะไรนะค่าใช้บริการล่วงหน้าสามเดือนต้องสั่งบอกใช่ค่ะนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้รายเดือนห่างหายจากวงการนี้ไปนานแล้วไม่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มไงแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าต้องไม่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยจำเป็นจริงๆนะต้องซื้อนะตอนนี้โทรศัพท์พังแล้วเครื่องเก่าได้แต่ถ้าสมมติว่าอุ้ยออกใหม่ที่เพิ่งซื้อปีที่แล้วเองอยากได้จากไหนพักก่อนพักก่อนไหมพักก่อนดีกว่านะฮะมาดูเรื่องราวของข่าวสารต่างๆรวมไปถึงของ สมาร์ทโฟนที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะเอามาดูสัก น, นิดหนึ่งหัวเว่ยน ะ, ะ, ะฮะหลังจากที่เขาบอกว่าหัวเว่ยเองเนี่ยเป็นแบรนด์ของใครกันแน่นเป็นจีน ใ, ใครเป็นเจ้าของกันแน่ เ, เขามีข่าวออกมาด้วยนะก็มีข่าวลือกันออกมาสัก น, นิดหนึ่งนะฮะจีนเองก็ระบุว่าหัวเว่ยเองเนี่ยฮะกำลังทดสอบ โอเอสคือระบบปฏิบัติการตัวเองบนสมาร์ทโฟนคาดว่าจะปล่อยมาในช่วงปลายปีนี้มูฟังน ะ, ะฮะราตร์เอรอยเตอร์เองมีการรายงานอ้างอิงจากโกลบอลชาร์มส์นะฮะสื่อของจีนที่บอกว่าหัวเว่ยนะฮะตอนนี้กำลังทดสอบเจ้าตัวระบบปฏิบัติการตัวใหม่มที่ชื่อเขาชื่อว่า ฮองเมียงนะนั่นคือชื่อนี้นะฮองเมียงบนสมาร์ทโฟนของตัวเองและคาดว่าน่าจะวางขายในปีนี้นะฮะสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวนเนี่ยจะเป็นรุ่นระดับกลางถึงล่างราคาประมาณสักหนึ่งหมื่นบาทนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวนี้เป็นสวนทางกับทางด้านของเหรินเจิฝ้นเฟย์ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าฮองเมียงเนี่ยฮองเมียงเนี่ย เป็นเพียงระบบปฏิบัติการ IOT ขณะที่หัวเว่ยเองได้จดทะเบียนการค้าหงเมียงเนี่ยในหลายประเทศรวมถึงที่ไทยแล้วค่ะอืมอแต่ว่าต้องรองไงรองติดตามจะเป็นอะไรจะจรเป็นระบบะะคือตอนที่ระบบเพล่ซามนาคมที่เป็นแบบอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อหรือเปล่าคือจริงๆอะตอนที่มีปัญหากับทางสหรัฐอเมริกาที่เขาบอกว่าเฮ้ยห้ามห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของของจีนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแอปเอิบอะไรของเขาโ<อ>น้นนั่นนะเพราะว่า<อ>ะจะมาแบบซดนองซดแหนมอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเขาก็เลยเตรียมตัวของตัวเองไงเขาก็คือไม่ใช่แค่ทางสหรัฐไม่ไม่แชร์ของจีนนะจีนเองก็ออกเหมือนบอกว่าเฮ้ยเธอกันฉลองฉันก็ให้คนประเทศฉันแชร์ของฉันเองก็ได้เพราะจริงๆแล้วของเขาก็มีของตัวเองเกือบหมด ดีกว่าคือยูทูบจริงๆเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยก็กใช้ไม่ได้นะที่จีนอ่ะเขาพี่ของตัวเองนะค ะ, ะ Youku Youku <laughs> ชื่อก็คล้ายๆกันนี่แหละ Facebook ไม่ใช้ค่ะแต่ว่า Facebook ก็ยังเหมือนจะเจาะเข้าไปไม่ได้อยู่ดีนะจีน Facebook ไม่ใช้แต่ว่าใช้เป็นห่วยป่อแทนอือแล้วคือคนเขาก็เยอะอ น, นะคือประชากรเขาแบบโห่กี่ล้านอ่ะยี่สิบสามสิบล้านอ่ะเขาก็ใช้ได้นะ คอเขาก็เปิดตัวของเขาเองไปได้ไงตัวนี้น่าจะเปิดแหละน่าจะใช่รอดูว่าจะเป็นแบรนด์อะไรเขาใช้ ใ, ชในอุปกรณ์ชนิดไหนรอติดตามนะฮ ะ, คะอ้าวมาที่กูเกิลเองนะครับกูเกิลอ่ะมีเขาบอกว่าสัญญาว่าจะเริ่มใช้วัสดุรีไซเคลิลในสินค้าของเขาเองนะคะเมสไบกูเกิลในปีสองพันยี่สิบสองจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ากูเกิลก็เริ่มผลิต เป็นฮาร์ดแวร์ของตัวเองออกมาระยะหนึ่งแล้วนะคะทั้งมือถือที่เราเคยแนะนำไปเป็นกูเกิลพิกเซลนะคะแล้วก็ลำโพงอัจฉริยะกูเกิลโฮมภายใต้แบรนด์ที่จะมีเขียนว่า made by google เนี่ยแหละนะคะล่าสุดภายในปีสองพันยี่สิบสองบริษัทกูเกิลเนี่ยเขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์เขาทั้งหมดเนี่ยจะต้องอมีวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบค่ะแล้วก็จะเพิ่มวัสดุรีไซเคิลให้มากที่สุด ภายในปีแล้วก็ภายในปีสองพันยี่สิบเนี่ยจะมีการจัดส่งโดยที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมีกิจกรรมชดเชยการปล่อยการ๊าซอะไรเงี้ยคุณในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะส่วนในปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดที่ผ่านมาเขาบอกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเฉพาะส่วนของการจัดส่งหรือว่าผลิตภัณฑ์คือผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยคือลดลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสองพันสิบเจ็ดกับสองพันสิบแปดที่ผ่าน นะปีนี้เขายังไม่ได้ระบุว่ามันมีอัตราสัดส่วนเท่าไหร่ที่จะช่วยในเรื่องของวัสดุรีไซเคิลอะไรประมาณนี้ค่ะ、mm hmm. ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกใช่ไหมคุณคเขาจะใช้ทุกอย่างเอาเป็นรียูดและรีไซเคิลทุกอย่างจริงๆนะหมายถึงว่าเหรียญเนี่ย เขาก็จะเอาแบบว่ามีทองน ong ทองแดงอะไรเงนี้ยเอามาผสมเอามาลียูดแล้วก็คบเพลิงใช่ไหมเขาก็ผสมด้วยเอาที่แบบที่มีอยู่แล้วเอามาเป็นสัดส่วนให้มันมันลักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าเขามีแคมเปญแคมเปญในปีที่เขาจะจัด โอลิมปิกที่เขาจะจัดที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจะรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอดูละกันครับผมก็รอติดตามนะเรื่องของการรีเซ็คเกอร์ปริมาณการใช้ขยะเองตอนนี้ก็มีมากขึ้นคือณตอนนี้อาจจะเป็นอยู่ในอนาคตนะผมว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่แล้วมันจะทำลายยังไงถ้าสมมติสมมติพังมันเยอะมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์จอตูดใหญ่แล้วเราจะทำยังไงล่ะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ เราจะต้องมามาเหมาะมาช่วยกันใช่นะฮ ะ, ะอ้าว ม, มากันอีกนึงเรื่องราวสักนิดหนึง่งเฟซบุ๊กนะคะเปิดตัวอุปกรณ์สำหรับการวิดีโอคอลทางทีวีเขาเรียกว่า คาร์าเทลิน่าปะ่ะสำหรับวิดีโอคอลทางทีวีค่ะคุณคือเข้าไปเจราจากับผู้ให้บริการสตรีมมิ่งอย่าง넷ฟรีดดิสนีย์ฮ <Amazon>, ูลูฮูลู HBOAmazonAmazon นะครับและก็บริษัทสตรีมมิ่งอื่นๆเพื่อให้บริการสตรีมมิ่งบนอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ตัวนี้ซึ่งคาดว่าจะวางขายในเดือนตุหลาค ม, มคือช่วงปลายปีนี้แหล ะ, ะนะครับหากหลายคนนึกไม่ออกอุปกรณ์ตัวนี้เป็นยังไงให้นึกถึง อ, อุปกรณ์ล่าสุดของเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Uh, พอร์ทัลนะฮะซื้อได้เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจุดเด่นก็คือเป็นกล้องอัจฉริยะสามารถหันไปมาสูมเข้าสูมออกตามผู้ใช้งานที่กำลังสนทนาอยู่ได้ยังสามารถแตะเสียงรบกวนได้อีกด้วยและอุปกรณ์ตัวใหม่นี้นะฮะคาทารีนาเนี่ยจะมีความเหนือกว่าอ่ะบับกันอีกนะฮะ <c oughs> สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีเพื่อดูวิดีโอสตรีมมิ่งและก็วิดีโอคอลที่รองรับเมสเซนเจอร์และก็วอตส์แอปได้ในตัวเดียวกัน ก็คือไม่ไลฟ์กับคอมแล้วค่ะไปไลฟ์กับโทรทัศน์เลยเออพัฒนาไปอีกออคือมันต้องแบบไปโคลกับออบริษัทของที่ผลิตโทรทัศน์เองด้วยนะใช่ออมีหรือไม่มีจะเชื่อมกันได้ยังไงอุปกรณ์แบบไหนอะไรเงนี้ยคือณตอนนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากดูคอนเทนต์ในโทรทัศน์เลยคือโทรโทัศน์โทรศัพท์หลายรุ่นเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมกับโทรทัศน์แล้วสามารถเปิดลิงก์จากยูทูบแล้วก็ดูในโทรทัศน์ได้เลยเหมือนเป็นแบบ สะท้อนอีกอุปกรณ์หนึ่งเลยเนี่ยเป็นแบบมิลเลอร์อ่ะเออใช่ใช่เป็นมิลเลอร์สะท้อนขึ้นมาเป็นกระจกใช่ความหมายของมิลเลอร์อย่างที่คุณผู้ฟังคือดูจากแอปโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือสมาร์ทโฟนเป็นยังไงหน้าจอน่าจอบเป็นแบบนั้นทีวีเป็นอย่างนั้นเลยอืมหลายท่านบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีมีมีลองหาก่อนมันอาจจะคนละชื่อกันนะเดี๋ยวดูของซัมซุงให้ซัมซุงไม่ได้ใช้ว่ามิลเลอร์นะซัมซุงใช้สมาร์ทวิวอืมเออนะคะลองลองหาดูนะเผื่อแบบเอ้ยอยากจะดูเป็นเวอร์ชันแบบ จอโทรทัศน์ใหญ่ๆไงก็น่าสนใจอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้เท่าไรแล้วอะพักไหมอ่ะยังได้อีกไหมอ่ะจะข่าวและกันอีกครั้งท้ายาา ย, ยังได้ข่าวหนึ่งอะโอเคมาที่ไมโครซอฟท์、huh. นะครับเดฟเฟนเดอร์、uh huh. ender, มียอดการใช้งานเกินครึ่งของผู้ใช้งานวินโดว์ทั้งหมดแล้วอันนี้คือ เหมือนมีการรายงานข้อมูลการใช้งานใช่ดูเหมือนว่าเขาบอกว่าจะพลุกในเรื่องของผู้ใช้งานต้องใช้โปรแกรมสำหรับป้องกันแอนตี้ไวรัสคือจะบอกว่าแอนตี้ไวรัสนี่ไม่ถึงมือเรามาหลายหลายปีแล้วแต่เขาก็บอกไม่ไม่ควรนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่ไหมใช่ไหมแต่เราแต่เราไม่ได้ใช้ไฟล์แบบว่าเสียบแล้วไงเสียบแฟลทได้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเข้าเว็บเพื่อไปดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้คือเราแค่เข้าเว็บแล้วก็เว็บที่อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บแบบข่าวเว็บข่าวเว็บอะไรอย่างเงี้ย คือข้อมูลนิดหน่อยแต่โดยส่วนมากที่ที่ไปถามทางบริษัทที่มีเนี่ยใช้แบบเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยลงตัวสแกนไวรัสเท่าไหร่เพราะว่าสมมติว่าไปแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็เนี้ยแหละนะคะอย่างที่บอกไปว่าสำหรับตัวป้องกันไวรัสจากผู้ผลิตอะไรายอื่นๆนะคะหลังจากไมโครซอฟท์เนี่ยเปิดตัวไปแล้วว่าเป็นไมโครซอฟท์ดีเฟนเดอร์นะคะเขาก่อนห น, านั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อจาก วินโดว์ดีเฟนเดอร์ในในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใช้งานเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วคือบางทีเนี่ยในตัวอินเทอร์เน็ตออนไลน์เองนะคะปกติแล้วก็เปิดคอมมาก็จะต้องเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วตัวออนไลน์เนี่ยเขาจะมีสแกนไวรัสออนไลน์、Online、ค่ะคุณสำหรับคอมพิวเตอร์เนาะผู้จัดการทั่วไปในส่วนของการวิจัยความปลอดภัยของไมโครซอฟท์ ATP นะ ค, ะคุณแทนแทนเมย์ค่ะบอกว่า ทาง Microsoft Defender เนี่ยมีผู้ใช้งานเกินครึ่งนะคะแล้วก็ Windows ทั้งหมดที่เปิดใช้งานเป็น Active Mode ด้วยค่ะปัจจุบันก็มีอุปกรณ์ที่ใช้งาน Windows เนี่ยสูงถึงหลักพันล้านเครื่องแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตวไวมากมากเนื่องจากทาง Microsoft Defender เองเนี่ยมีจำนวนผู้ใช้งานมากขึ้นหมายความว่า Microsoft Defender ก็จะตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์มากขึ้นด้วยคืออะไรที่มีคนใช้งานมากขึ้นมันจะตามมาด้วยไวรัสแล้วก็ฮอ่แฮกเกอร์ค่ะ ก็เป็นธรรมดาพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ต้องแก่เวลาก็ตามมาเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจนะฮะก็ไม่เข้าใจว่ามาได้ยังไงอ้าวพักกันสักครู่นะฮะเราจะมาดูกันในช่วงหน้าใครใช่แอนดรอยอยู่เขาบอกว่าในอนาคตการอัปเดตเองไม่จะเป็นอีกต่อไปแล้วทำไมแล้วมันจะดีอย่างไรบ้างว่าก็ยังก็ไม่อัปเดตก็เก่าสิใช่บางทีก็โปรแกรมอื่นก็ไม่รองรับซิเอออะไรอย่างนี้ไหมช่วงได้เดี๋ยวกลับมานะครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหลง่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653เข้าสู่ไมค์คอมพิวเตอร์กันต่อนะคะมีเรืางด่องหนักของการอัปเดตแอนดรอยด์ค่ะเขามีข่าวลือมาค่ะคุณว่าอาจจะไม่ต้องอัปเดตอีกต่อไปอมไม่สำคัญไม่ต้องอัปแล้ว แล้วคือจะไงอ่ะจะแก้เขาเรียกว่าอะไรนะจะแก้บล็อกยังไงคะคุณคือมันมีหลายอย่าง อ, ะอ่ะเขาบอกว่าแอนดรอยอาจจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับทางด้านของเว็บไซต์โฟอนอารีนาเอง เขาให้ความเห็นอย่างนี้ว่ามันไม่สำคัญว่าผู้ใช้งานจะใช้งานสมาร์ทโฟนพร้อมกับแอนดรอยต์เวอร์ชันล่าสุดหรือไม่เหมือนกับว่าแอนดรอยต์ได้มาถึงจุดสูงสุดทั้งในแง่ของนวัตกรรมและความสามารถใหม่ๆซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก, ก็พอจะเห็นภาพได้แล้วนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ security update เป็นสิ่งสำคัญกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหากสมาร์ทโฟนทุกเครื่องได้อัพได้รับการอัปเดตระบบความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือนจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้งานมากกว่าเขาบอกอย่างนี้นะฮะ OEM ไปไกลกว่า Android เพียวๆแล้วอันที่จริงแล้ว OEM เนี่ยคือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทอื่นๆได้ไปไกลกว่า Android ทั้งในแง่ของฟีเจอร์แล้วก็รูปแบบในการใช้งานอย่างบริษัทที่แบบทำมือถือไหลเจ้าเองเนี่ยฮะเขาก็ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายนะฮะค่อนข้างมากซึ่งจริงฟีเจอร์บางอย่างที่เปิดตัวมาเนี่ยก็ดึงตัวระบบตัวนี้เข้ามาใช้งานอยู่แล้ว นะครับสรุปก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าทางค่ายเองก็ถือว่าอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้ไม่ต้องอก็ได้นะฮะเขาบอกว่าคิดเวลาซื้อเครื่องใหม่เพราะเครื่องใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถมีความสามารถครบถึงเจออัพเวอร์ชันใหม่มาก็ความสามารถก็เพิ่มแค่นิดเดียวแต่ใช้เวลาอัพก็นานอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยกินพื้นที่ไม่นะก็จริงๆถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นแบบเรือธงอย่างที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็มาเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วแหละแต่แต่ถ้าเป็นแอนดรอยก็อัปอัปเดตทุกวันเลยอัปก็อัปนะสุดไม่ไอตัวไอแอพพลิเคชันนะอัปทุกวันแอพพลิเคชันอัปทุกวันแต่ตัวที่อัปจริงๆเนี่ยซอแวร์ซอแวร์ผมจะเข้าไปชอบบางทีจะเข้าไปชอบอัปไอตัวเนี้ยอ่าไหนล่ะหาไม่เจอตัวที่เป็นตัวสแกนไวรัสอือฮึอัปหรือว่าสแกนคะคุณทั้งอัปทั้งสแกนมันจะมีวุฒิให้อัปเดตอยู่ตรงไหนอะ ก็คือก็คือเราก็ต้องเข้าไปไปสแกนไปสแกนอย่างเงี้ยสแกนอย่างเงี้ยเอ่ออันนี้ของฮูบอยนะคะใช่ก็นั่นแหละเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องการจะให้มันแบบดูดีก็คือ security update นั่นแหละนะคะอ่ะลองดูแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ใช่แอนดรอยด์นะคะเขาข้ามมาเรื่องนี้เลยละกันอันนี้เนี่ยน่าสนใจก็เลยหยิบยกมานิดนึงนะคะเดือดนิดนึงนะคะเมื่อแกร็บเนี่ยส่งแกร็บแกร็บวอล์กค่ะคุณ คือแกร็บปกติจะมีแกร็บฟู้ดแกร็บที่เป็นแกร็บค้าแกร็บแท็กซี่แกร็บฟู้ดแกร็บบะอืมไบค์บะมอยไบค์มอเตอร์ไซค์แกร็บคานะแล้วก็อันนี้เปิดดูเลย แล้วก็มีอยู่าการฟูดใช่ <นะ S 2> ใช่ในการบริการส่งของอะไรเงนี้ยนะฮะใช่มีแผนที่โรงแรมรีวอร์ดของใช้ทั่วไปรถจักรยานยนต์ส่งของส่งของนู้นนี่นั่นกันไปล่าสุดนะฮะคือบางอย่างเนี่ยบางทีเราต้องการใช้บริการแต่พื้นที่ระยะทางเนี่ยมันมันไม่ได้ไกลมากจะใช้แบบแกลบแกลบอะไรนะแกลบไบก็อุ้ย ราคาแพงพจังเลยอย่างนี้นะเออก็กลายเป็นว่าแกล็บก็เลยมีบริการใหม่ออกมาค่ะเป็นที่พูดคุยกันในโลกโซเชียลพอสมควรเพราะว่าเป็นแก๊บฟู้ดแต่เป็นวอล์คค่ะคุณ ค, คือวอล์คหมายความว่ า, าจ้างคนเ อ, อ้ยเธอฉันอยากกินเนี่ยร้านส้มตำป้าอะไรตรงเนี้ยข้างๆ、Off、fit ออฟฟิศได้แกล็บวอล์คค่ะ อ่ะบอกพี่กัดกันเรียบร้อยคุยกันนู่นนี่นั่นเขาเดินไปซื้อให้คุณค่ะไม่แต่ว่าคนที่แกปิดตรงนั้นเขาก็เดินตรงแถวเนี้ยนะใช่ทีนี้เนี่ยบริการนี้นะคะก็ให้พาร์ทเนอร์รับซื้อแล้วก็ส่งอาหารด้วยการเดินนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในระยะไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์รับงานนะคะคือรถมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นอีกอีกอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกโซนหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือว่า เนี่ยแหละเขาก็มีการแบ่งเขตกันชัดเจนนะคะคือตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ตอนนี้นะเดือดมากมากนะคะที่ฉันในโทรศัพท์เนี่ยมีประมาณ 5, 5ห้าห้าแอปพลิเคชันนะคุณที่เอาไว้สั่งเนี่ยแหละพวกแบบว่าของที่เดลิเวอรี่แบบนี้นะคะส่วนแก๊บฟู้ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่มาแรกๆเลยแหละแต่มาในเรื่องของลงการตลาดเนี่ยอาจจะมีไม่นานนะคะ คือที่เด็ดเนี่ยออกมาอยู่ตลอดแหละแต่ว่าล่าสุดการใช้บริการในเรื่องของแกรฟฟู้ดที่เป็นวอล์กนะคะเป็นบริการที่รับซื้อและส่งอาหารระยะใกล้ๆรัศมีไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรอย่างที่บอกไปแต่ว่าใช้ระบบบริการเขาเรียกว่าเดินค่ะคุณครับเดินส่งอาหารอย่างที่ทราบกันดีเหมือนกันว่าแกรฟเป็นบริการขนส่งแล้วก็บริการโดยสารเป็นส่วนใหญ่ อาศัยพาร์ทเนอร์ทั่วไปนะคะในเรื่องของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่ายานพาหนะเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอราศ์ไซค์ที่คุณบอกแท็กซี่เนาะบริการในเรื่องของการเพิ่มพาร์ทเนอร์การส่งอาหารด้วยวิธีใหม่ๆนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์รถมอเตอราศ์ไซค์ก็สามารถรับงานได้คือเขาถือว่าดิลิเวอรี่เนี่ยกำลังบูมมากนะช่วงนี้แล้วก็คนใช้งานเยอะมากเลย จริงๆนะในตัวเมืองเนี่ยโอ้โหทางด้านผู้บริโภคเองเนี่ยก็เชื่อนะคะว่าจะมาตอบโจทย์เหมือนกันพฤติกรรมในยุคนี้เนี่ยคือบางวันฝนตกไงแต่เราก็เห็นใจเขาจังเลยอะเออเหนื่อยล้ามากๆนะคะแล้วก็ไม่อยากเดินออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถสั่งเนี่ยแก๊บฟู้ดที่เป็นวอล์กได้รัสมีไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะคะพาร์ทเนอร์สามารถรับงานที่อยู่ใกล้ๆตัวได้นะคะ แล้วก็เริ่มทดลองอบริการในพื้นที่ที่มีการเรียกใช้งานสูงก่อนเบื้องต้นในพื้นที่อื่นอาจจะยังนะคะไม่มีอมะะรอก่อนนะคือจริงๆแล้วเนี่ย ก, กับอาหารเหรอใช่แกฟูดแกฟูดฟูดแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงในของเราเนี่ยมีหรือยังในของเราก็มีน่าๆจะมีคนสั่งเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าของที่ฉันเองเนี่ยเลือกจากค่าบริการที่ถูก <laughs> คือหลายคนก็เป็นแหละนะจริงจริงมันมีหลายหลายหลายแอปพลิเคชันออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเจ้าเจ้าใหญ่น่าจะเป็น Grab ที่เราได้รู้กันนอแล้วก็มีไลน์แมทนะมีเกทใช่ไหมที่ออกมาใหม่แล้วก็ฟ<ช>ูดแพนด้า <Panda S 2> แข่งกันเดือดมากมากนะตอนนี้ครับ Delivery คือร้านอาหารตามสั่งก็เดลิเวอรี่ค่ะคุณตอนนี้ถ้าไปหน้าร้านเนี่ยบางคนบอกว่าไม่สามารถที่จะนั่งทานได้เพราะว่าคิวออเดอร์ยาวมาก มาจากแกร็บเนี่ยแหละคือเขาเขารู้แล้วแหละแบบร้านอาหารที่มีคนสั่งเยอะ ๆ, ๆอย่างเงี้ยก็เขาก็จะปรับตัวตามไงว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยเขาก็จะแบบแบ่งโซนให้แบบเลนให้เลยว่าโอเคละถ้าเป็นเลนนี้ให้กับคนที่แบบสั่งออนไลน์นะอีเลนนี้ก็สั่งไปในร้านเขาก็จะมีเซลในทวิตเตอร์เพิ่งเห็นเลยนะในเรื่องของแกร็บ ฟ, ฟู้ดใช่ไหมดิฉันก็เลยแบบเอ้ยตามข่าวนี้มาสักนิดหนึ่งละกันคือในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีแบบบอกว่า เราจะสั่งแก๊บวอล์กวันนี้แบบหิวมากแล้วติดไฟแดงก็เลยจะสั่งแก๊บแก๊บวอล์กละกันให้ไปซื้อมาส่งที่รถคือเราติดแน่ติดมากเลยตอนนี้เป็นชั่วโมงแล้วพอแบบสั่งเสร็จปุ๊บเอ้าวไฟเขียว <c oughs> ก็เลยก็รถเลื่อนไปประมาณสองกิโลนะคะก็เลยทำไงดีอ่ะก็แก้ปัญหาโดวยการเรียกแก๊บฟู้ดให้ไปรับแก๊บโบกอีนี่เป็นแบบน่าหลาคว่กมากอันนี้ก็เป็น ก็หมายว่ายังเอ็นดูยังเอ็นดูอ้าวนิดเดียวปิดท้ายในวันนี้นะครับยินพอมีเวลาประมาณกี่นาทีฮะได้อยู่สักสามนาทีจะสั้นวันนี้ผมจะบอกมาแชร์กับผู้ฟังว่าเวลาเราไปธนาคารหลายท่านเองเนี่ยต้องใช้บางคนรับประมมอำนาจมาไปถอนบัญชีเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเราก็ปกติเราก็มีสำเนาบัตรอะไรเงี้ยกันไปนะเพราะเราต้องมอบอำนาจไปต้องบอกกับผู้ฟังว่าการที่เราสำเนาบัตรมอบอำนาจไปเนี่ยเพราะบางครั้ง บัดเราเองเนี่ยสามารถใช้โดวยตัวคือเราไม่ต้องใช้สำ εί kabow แต่คนที่มอพอ aesthetic ไปต้องใช้ kabow Down ว, วิธีการต้องบอกแน่วนีา้หลายท่านพอไม่ราしผม lending ไ, ไปท่านสาหบป้ auen spikes ที่ pertaining flow in, k esta ท่าผม Gore ตามทร vais กรรมคอหน้าบัดช ắt อยู่แล้วปกธิวันที่ฆัยช ắt บางครั้งนั่งสำ steamed puedo ตอนไปถ่ายสำเนาบัตรนะเขาไปของใครมาถ่ายให้เราก็ไม่รู้หน้าจางเหรอไม่ไม่ไม่ด้านหลังไงตอนนี้ด้านหลังมีความสำคัญเช่นเดียวกันอ่าใช่ใช่ใช่เพราะมันต้องใส่ใส่โค้ดซึ่งธนาคารเองเขาบอกว่าโค้ดด้านหลังเนี่ยที่เป็นตัวอักษรเนี่ยก็ต้องชัดนะค่ะแล้วสมมติว่าคุณถ่ายสำเนาเก็บไว้บางคนบอกว่าขี้เกียจถ่ายอะไรถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะๆเออเอิญไปเปลี่ยนบัตรค่ะแล้วไอ้หน้าบัตรยังมีอายุอยู่พอไปใช้ทำธุรกรรมใช่ไม่ได้นะ เมื่อก 54. โ humble shност seeing the MMstein cción it. สถ Lucaric.oy. ต้องใช้เนี่ยน18มัน告诉 iac remar. ต ń มัน ики smile ตอนนี้ได้ไง ambition. บาย Storeucc non. ปุ่นไปไง ground. มัน清 لي อก wave êtes ฝากรา Branheimعل 問題 au enseit College of Decay3. ช่วงเมื่อไง衆กรา lgbppppppppppppppppppppt 이름 because Guability of Decay3 ชนพอภัซ과กราล einfach sometimes. 小อะยะ»ลิงกันต้องใช้ไหมด้วย academy.oga ต้องใช้โนกพอภัซ i επ สรรรรรรรรรรร dere cartridge ผมก็โหไปยืนนานมากเลยแต่หาข้อมูลได้เขาอีกนิดนึงละกันคุณคุณพูดถึงในเรื่องของบัตรประชาชนใช่ปะ่ะคือไอตัวแอปพลิเคชันแอร์เพย์ที่เขาเอาไว้จ่ายเหมือนเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าอะไรนะใจ่ายเงินสดอะไรอยางนี้ใช่ไหมคือเขาต้องยืนยันตัวตนและที่นี้เนี่ยเวลายืนยันตัวตนของแอร์เพย์หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องถ่ายรูปตัวเองคู่กับบัตรประชาชนซึ่งบางคนบอกว่าต้องถ่ายยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยคือต้องถ่ายกับตัวเองแล้วก็บัตรประชาชน ถ่ายปุ๊บแล้วก็ถ่ายหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายหลังบัตรประชาชนคือเนี่ยต้องยืนยันตัวตนขนาดนี้เพื่อที่จะใช้แอปพลิเคชันจ่ายเงินจ่ายค่าไฟค่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายยังไงเพื่อจะได้เห็นอะถ่ายตัวเองต้องถ่ายกับบัตรประชาชนถือบัตรถือบัตรต้องถ่ายใกล้ขนาดไหนถึงจะเห็นถือบัตรคือมันจะเป็นละไม่รู้สิเขาก็มีแบบตัวอย่างให้ดูว่าแบบต้องถ่ายแบบนี้นะถือถือบัตรอย่างเงี้ยถือแบบนี้นะใช่คุณฝั่งหลายท่านบอกเออฉันทำแล้วแต่ว่าเขาก็ยืนยันตัวตนผ่านนะ ก็ถือว่าทำครบก็ถือว่าทำครบไงเออก็เป็นนวัตกรรมที่ยังต้องคู่กันอยู่นะผมว่าคนไทยก็เอามาใช้แต่จริงจริงมันมีมากกว่านี้แหละเรายังไปไม่ถึงท่านนั้นเอาท่านนี้ก่อนถ่ายรูปกับประชาชาติเช่นก่อนใช่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับมาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันสัปดาห์หน้านะคะดลิสาตระกูลเงยพร้อมด้วยคุณปีพงศ์ค่ะต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com slash RMUTT Radio หรือทางลาย Official at RMUTT Radio